เรื่องบุตรเศรษฐีมีทรัพย์มากแต่โง่พระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในป่าอิสิ ป, ปตนะเมรุกทัทไ य วันทรงปรารบบุตรเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากดังได้สดับมาบุตรเศรษฐีมีทรัพย์80สบโกดในกรุงพารณสีมารดาบิดาคิดว่าตนมีทรัพย์มากมีโภคะใช้สอยอย่างสบาย จึงให้บุตรเรียนการฟ้อนขับและประโคมอย่างเดียวในพระนครนั่นแหลแม้ที่ดาเศรษฐีหนึ่งคนก็เกิดแล้วในตระกูลเศรษฐี8ปสโกดเช่นเดียวกันทั้งสองแต่งงานกันมีสมบัติ160โกดเศรษฐีบุตรไปสู่ที่บำรุงพระราชา ว, วันละสามครั้งครั้งนั้นพวกนักเลงสุราในพระนครนั้นคิดกันว่า ถ้าได้เศรษฐีบุตรเป็นเพื่อนนักเลงสุราความสุขจะมีแก่พวกตนจึงเริ่มทำอุบายเชิญชวนให้เศรษฐีบุตรดื่มต่อมาจึงพากันแวดล้อมบุตรเศรษฐีนั้นเมื่อการล่วงไปก็ได้บริวารหมู่ใหญ่เขาดื่มอยู่ตั้งกองกระหับปนะไว้ในที่นั่งดื่มสุราแล้วจ่ายซั์เป็นค่าดอกไม้ของหอมนักฟ้อนนักขับประโคมแล้วให้ซั์ เขาสู่รุ่ยสูรายอย่างนี้ต่อมาไม่นานซับ80สิบโกรธของตนก็หมดแม้ซับของภริยาอีก8ปบโกรธก็หมดเขาขายสมบัติทั้งหมดคือนาสวนผลไม้ดอกไม้ยานภาหนะโดยที่สุดภาชนะเครื่องใช้เครื่องลาดผ้าห่มและผ้าปูนั่งโดยลำดับรั้นในเวลาที่เขาแก่ลงเขาถูกไล่ออกจากเรือนเขาพาภริยาถือกระเบื้องเที่ยวขอทาน ครั้งนั้นพระสัสดาทอดพระเนตรเห็นเขาที่โรงฉันคอยรับโภชนะเดนจึงทรงย้ำพระโอษฐ์ตรัสว่าอานนเธอจงดูบุตรเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากผู้นี้พลานทรัพย์160สโกรธพาภริยาเที่ยวขอทานอยู่ในนคร น, นี้ก็ถ้าว่าบุตรเศรษฐีนี้ไม่พลานทรัพย์ให้หมดสิน้นประกอบการงานปฐมวัยจะได้เป็นเศรษฐีชั้นเลิศในนคร น, นี้ และถ้าจักออกบวชก็จักบรรลุอรหัตแม้ภริยาของเขาก็จักดารงอนาคามิผลถ้าประกอบการงานในมัชชิมวัยจะได้เป็นเศรษฐีที่สองถ้าออกบวชจะได้อนาคามีแม้ภริยาจักดารงอยู่ในสกะทาคามิผลถ้าประกอบการงานในปัตชิมวัยจะได้เป็นเศรษฐีชั้นที่สาม ถ้าออกบวชก็จะได้สกะทาคามีแม้ภริยาก็จะดำรงอยู่ในโสดาปติพลแต่เดี๋ยวนี้บุตรเศรษฐีนั้นทั้งเสื่อมแล้วจากโภคะของเข้ารือหัดทั้งเสื่อมแล้วจากสามัญผลก็แหลกรันเสื่อมแล้วจึงเป็นเหมือนดังนกกระเรียนในเปลือกต่มแห้งชนนั้นดังนี้แล้วจึงตรัสพระกาถานี้ว่า พวกคนเข่าไม่ประพฤติปรมจรรันทร์ไม่ได้ทราบในคราวยังเป็นหนุ่มสาวย่อมซบเซาดังนกกระเรียนแก่ซบเซาอยู่ในเปลือกตมที่หมดลงฉะนั้นพวกคนเข่าไม่ประพฤติปรมจรรันทร์ไม่ได้ทราบในคราวยังเป็นหนุ่มสาวย่อมนอนทอดถอนถึงทราบเก่าเหมือนลูกศรที่ตกจากแหลงธนูฉะนั้น ในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แหละ